สัพพัตธิกาทิฏฐิผู้ที่มีมติว่าโลกน้าไม่มีตายแล้วศูญบุญบาปไม่มีคุณของพ่อแม่ไม่มีเทวดาไม่มีอุบรรลุมากผลไม่มีคือผู้ที่เป็นนติกาทิฏฐิได้ชื่อว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อพระอระหันต์และคนส่วนมากทุกวันนี้เป็นนติกาทิฏฐิลทัทธิการเมืองบางอย่าง